มันมันเป็นลักษณะของละครอือ่าเป็นลักษณะของละครเหมือนสุดโต่งนไม่เขาก็ต้องทําให้เรื่องเขาขายได้เนะ่ะอือใช่ครับอ <t ok> มีสีส<ช>ันมีรสชาติซึ่ง <ละ S 1> อะไร <t ok> ท, ที่ที่เว่อเว่อเกินจริงแล้วบอกว่าอ น, นี่สะท้อนความจริงของสังคมมันจะไปสะท้อนได้งไงอันนี้มันเวอ่อเกินจริงอือแต่ว่าเราเคยเห็นคนที่มันร้ายๆอย่างนี้มีจริงเหรอเราไม่เคยเห็นเลยนะอาตมาไม่เคยเห็นครับอ่า หรือคนที่บื้อขนาดนี้เราก็ไม่เคยเจอนะอเพราะฉะนั้นละครเนี่ยมันก็จะต้องเขียนให้มันเป็นลักษณะของอดรามา่าดราม่าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะเกี่ยวกับน้ำเน่า ว, วังกันเถอะผมพยายามเลี่ยกคำเนียแต่ก็น้ำเน่าขนาดไหนนีนะคนก็ดู <laughs> ใช่ครับน้ำเน่ายิ่งเน่ายิ่งดูทาไมถึงเป็นอย่างนั้นมรุทพง์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 มันไม่ไม่กระเทือนเลยก็เรียกว่าไม่มีจิตที่ขึงเคียดไม่มีความที่ไม่พอใจกระฟัดกระฟีดเกิดขึ้นเวลาคนมายกย่องสรรเสริญก็ไม่เป็นผู้มีความกำนัดยินดีมีความตื่นเต้นแห่งจิตใช่ไหมครับสบายอยู่คนเดียวถ้าเป็นปุถุชนเวลาคนชมนี่ก็จะฟูนะฮะใจเลยจะฟูลอยโดนด่าก็แฝง เห น, นกอน ก, กันเลยใช่สองมาตรฐานไม่ควรทําครับอืำเพราะฉะนั้นคิดว่าวิธีการก็คือว่าทําให้มากทําให้เจริญทําให้บ่อยๆครับทําให้มากทําให้บ่อยทําให้นาน อ, อย่างนี้ใช่ไหมครับทำในใจไว้ซึ่งโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อนนี้แหละครับอ่าทางแห่งถ้อยคําอันที่เขาจะมากล่าวหาได้เนี่ยจะไม่มีทางมากระตือนจิตของเธอตั้งอยู่ได้เลยพุทธจาวะครับอนี่นะจําให้ดีนะถ้าใครที่ไม่เจริญเมตตาจิตแล้วนะ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 ข่าวต่อไปเรื่องที่ติดค้างกันอยู่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่จะนําไปสู่ความเป็นวิมุตติให้เข้าถึงสู่วิมุตติได้อย่างไรเพราะมันที่ฟังฟังกันมาก็จะมีแต่อวิชชาแล้วก็ไปทุกทุกแล้วก็หมาอวิชชาเอลักจากทุกจะไปถึงดับอวิชชาเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะมาพูดถึงประเด็นตรงนี้กันในคราวหน้าตอนที่สิบเก้า